ขอกราบคารวะพระรัตนตรัยพระพุทธประธานประสนฆ์ขอกราบคารวะหลวงพ่อกรมก็พระพุทเจ้าเพื่อนสัตมิตทุกท่านขอเชิญพรมแม่ชียัตยมครับขอตามสบายๆนะครับก็การที่ ได้สวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็กให้จิตใจให้สบายสบายหลังกายก็ให้สบายสบายไม่ต้องเกร็งไม่ต้องเครียดเบาๆ เยอยวยันเกษมสุขก็พวกเราก็ก็ได้เกิดในโลกนี้อยู่ในชาตินี้ก็อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันก็ ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องบิบตอกรำบนใจถ้ามีสติก็ช่วยเหลือพวกเราก็อยู่ยานเป็นสึกไปเรื่อยๆได้ ธรรมาก็ทำหน้าที่ตอนนี้ก็เขียนหนังสือเดินพุทธศาสนาทานหนังสือวารสารพุทธศาสนาฐานญี่ปุ่นก็ก็นิมนต์ให้เขียน ก็จะแบบนี้ก็คุณฟ้าเขาเคยมาเป็นคนญี่ปุ่นเคยแปลนังนสือเรื่องอาจาย์คำพรมกลายเป็นปิกการเทจิตเป็นสดชื่นอะไรก็ แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นมันช่วยกันช่วยกันแปล น, นี่ก็มีคนญี่ปุ่นก็ได้ฟันอาไดา้ได้อ่านแล้วก็ก็ประทับใจเขาก็เขียนลมมาก็ธรามะก็ช่วยเช็คบ้านเช็คนันสือ แล้วก็เผยแปช่วยกันเผยแป่คุณค่าของการเจริญสติเขาก็เขียมพื้นถึงอจางคํคำพมก็ดีมากผมก็ได้อามาที่เขาจะรหนังสือเป็นก็ ตอนที่เขาก็ตัว น, นี้สอนนั้นซื้อที่มหาวิทยาลัยมาฮิดอนสอนั้นศาสนาที่ญี่ปุ่นเป็นนยางไงเป็นนัจจารย์อยู่เป็นคณะอศาสนาหรือคณะอ่า จะบสังคมนก็จัดการเมื่อเดินที่แล้วก็นี่มองอาจารย์คำพนแล้วก็อาจารย์ต่างานที่นั่งก็มีพระก็มา่าเรียนหนังสืออยู่ที่ มหาพิทยาลัยแล้วก็อาจารย์ที่สองที่นั่นก็เคยบวชหลายปีก็สอพุทธศาสนาได้ก็คนญี่ปุ่นก็สมัครศึกษาปฏิบัติธรรมที่นั่น สามวันก็ได้ผลดีชางคำพงก็สอนแล้วก็พระอุเจ้าพระไทยให้นั่นสอนแล้วก็เป็นอาจารย์เขาสอนด้วยให้กุงฟ้าเขาก็แปลเป็นภาษาไทยให้ ก็ตอนที่ <c oughs> คนญี่ปุ่นก็ถามอาจารย์คามปงว่าที่ประเทศญี่ปุ่ น, นก็มีน้ำสึนามิก็มีคนตายบ้าน หลายคนแล้วก็มีคมก็กำบนใจมันชีวิตก็ไม่แน่ใจตัวเองก็แกแล้วแป่งควนลูกหลานว่าจะ มันอยู่ได้โดยมีความสุขหรือเปล่าก <c oughs> ็เขาก็อยากให้ลูกหลานก็ก็มีชีวิตเป็นดีไม่ทุกข์ไม่เสียหาย พรจางตามพงก็ตอบว่าก็ไม่ต้องเปลงหวน็เราก็ก็คิดอนาคตก็ให้คิดอนาคตนานๆก็ได้ว่าถ้วยเราก็ตายฤก้ก็ตายหลางก็ตายต่อไป เป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติก็ทุกกองทุกกองก็มันก็แก่กดแก่แจกตายเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นนี้เราก็ก็เป็นเพื่อนทุกแต่ว่าเราก็ เลือกชีวิตในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ได้ไม่เกี่ยวข้องว่ายังอยู่หรือว่าจะเพ่งแกเจ็บก็ตามถ้าเราก็มีสติอยู่กับปัจจุบันเราก็เลือกชีวิตได้ ก็ทำหน้าที่ไปในปัจจุบันทำดีไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องเป็นหววอนาคตมือนกับว่าเราก็ปลูกเมล็ดมะเ ม, เมื่อนก็เราก็หวังว่าจะตอตขึ้น ได้เมื่อไรจะได้ผมไหมจะได้สมบูรณ์กินอร่อยหวานรอเปล่าถ้าคิดไปคิดมาแต่ไม่ได้รักษาไม่ได้ให้งา ก็ไม่ได้ผลดีอันนี้ก็เป็นตังหาทำหานี่มีก็คิดความหวัาไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ในปัจจุบันรมมือรักษาตอนทำหน้าที่ต่อพืดผม แต่ว่าเป็นจันทะก็ทำงานที่ในปัจจุบันทำให้ดีก็ไม่ได้วางผมแต่จะทำหน้าที่ในปัจจุบันก็ให้น้ำช่วยรักษา ผมอนาคตก็ได้ผมก็ตามสมควรตามตามที่เราก็ทำให้ก็นี่ก็เื่อนจิตใจก็เหมือนกัน เราเมื่อไหร่จะบัรลุผมเมื่อไหร่จะแก้ทุกได้เมื่อไหรจ่รจะหายทุกคิดคิดมันเครียดมันเป็นเรื่องอนาคตสร้างเรื่องไปก็อันนี้ก็ให้รู้ว่า อันนี้ไม่ใช่เรื่องอนาคตทีเป็นความคิดที่เราสร้างในปัจจุบันขณนะปัจจุบันขณนะถ้าสร้างไปแล้วก็ทุกใจสร้างเรื่องสร้างปัญหาก็ได้ทุกใจทันทีในปัจจุบัน มันเป็นการกระทำของจิตใจก็ได้ผลทันทีเป็นอังคาริโกไม่จำกัดการทำดีได้ดีในปัจจุบันนี้ บันทีก็คิดเรื่อง อ, อดีตว่าทำผิดไปจำไม่ดีไม่เก่งก็คิดไปเราก็าใจปิดว่ามันจะเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องอนาคตเป็นแต่ว่าจริงๆแล้วก็เราก็สร้าง เรื่องคิดไปจิตมันก็ปรุ่นเต็นในปัจจุบันนี้สร้างเรื่องสร้างปัญหาอยู่ก็ทุกข์ใจมันก็เกิดขึ้นก็แล้วแต่กรรมกรรมปัจจุบันนี้ทางกายทางวาจาทางใจ ก็ได้ผมทันทีแค่เรื่องที่เราก็ปิดพาดในอดีตก็มีบ้างแต่ว่าเราก็เอามาเป็นบทเรียนในปัจจุบันนี้ว่าโอ้ตอนนั้นทําปิดพาดเพราะเหตุผมเป็นอย่างนี้ ก็น่าจะเป็นทำอย่างนี้ต่อไปออก็ได้เรียนรู้จากการปิดผาสที่ตัวเองทำมาอาดีตไม่้นทุก็นสร้างปัญญาสร้างข้อคิดเพื่อประโยชน์ต่อไปอนาคตได้ น, นี้ก็เป็นการการะทำของปัจจุบันขณะนี้เราคิดที่ใช้ความคิดมันเป็นประโยค ก, ก็ความคิดก็ประโยคได้ไม่ใช่ความคิดนี่ไม่ดีแต่เราก็ต้อง ใช้เพื่อประโยคถ้าเป็นรถยนต์ถ้าเราก็ใจประโยคไม่ได้อาจจะเป็นไม่รู้จักจะกับรถไม่ฝึกฝนไม่รู้จัก กดกจรลจรก็ถ้าเราขับไปแล้วก็เป็นรถจองงันง่ายเพื่อนก็ตัวเองก็เสียเจ็บปวดให้ คือเอิเขาบาดเจ็บทำาช่่ยทาเชื่อท่านสอฝ่ายไปบางทีก็กลับเป็นอยู่เดียนรู้แล้วก็ได้ไปกับจีแต่ว่าเมาเหล้าขับรถไปแล้วก็ ก็จองกันอาจจะเป็นตายก็ได้อันนี้ก็ใช้รถก็ไม่ประโยชน์แต่ใช้รถเป็นก็มันความสะดวกเฉยเลือ พนนี่ก็ได้ให้เกินไปซอมไปนี่ซอมไปนั่งสื้อของไปโดยสะดวกสบายก็ลดก็ไม่ใจดีไม่ดีแกเราใช้เป็นหรือไม่ เราก็เป็นเป็นรูปจริงๆแล้วก็ท้าเอาเครื่อนสวน่นสวนหนึ่งส่วนหนึ่งแยกแยกไปแล้วก็ก็ไม่ ก็รถก็ไม่มีก็ว่าได้แต่งกระจกเป็นแปรเป็นอ้อแล้วก็พวกเราจะามาจากกว่าแห่งความคิดก็เกิดขึ้นเป็นมาโนภา ว่าเป็นรถเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแต่วา น, นี้ก็ไม่เทียนไม่ใจตัวตนแ็งแก่เราก็สะสมเอาภาพมาเป็นว่าเป็นรถอันนี้เป็นเรื่องนามธรรมก็มันเป็นนิจจานันตตา ในใจตัวไม่ ใ, ใจตนแค่คเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่เทีย่ยนถ้ายึดมั่นถือมั่นข้อทุกแต่เราก็เอาความคิดก็ดีเอาจิต ก็ดีถ้าใจเป็นประโยคก็ไปออกได้เป็นพลันเป็นจิตให้ความอบพนใจต่อเพื่อนให้ความสะดวกสบายต่อเพื่อนแล้วก็ตัวเองด้วย ก็ดีร่างกายก็ดีแล้วก็แก้สนับสนุนให้อาการของกายของใจดีขึ้นเป็นการพยายามชอบ สิ่งที่ไม่ดียังมีอยู่ก็ให้ลบไปสินที่ไม่ดียังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดรักษาไปสิ่งดีเกิดขึ้นแล้ว ก็พยายามรักษาแล้วก็ให้เจริญสิ่งดีๆยัำไม่เกิดให้เกิดไปก็การพยายามแผ่ปีติยะความเพียร ก็สร้างความดีไปเรื่อยๆก็จิตใจก็ก็มีความมั่งกรมอยู่อย่างความสงบไม่เบียดเบียน ตัวอไม่เบียบเบียนกายใจไม่เบียบเบียนเพื่อนไม่พูดส้างฟูฟูแพะแพกไม่กระงกระวายไม่กลุ่มใจหอบฟูใจ มีความเชื่อตัวเองมั่นใจตัวเองเพราะเราก็ทำดีอยู่แล้วบางทีก็เริมตัวบ้างผิดบ้านเราก็มีวิธีฟีมูกลับมาเป็นปกติ ได้เพราะว่าเราก็สร้างสติต่อไปก็สติก็ช่วยเหลือเราเราก็เชื่อมั่นใจตัวเองสิ่ที่เกิดขึ้นกลางงึกิ้ เศร้หอมองเจ็บใจนิดหนึ่งแต่ว่าสติก็กลับมาให้จิตปกติเอาไฟเล็กๆน้อยๆก็ดับไปไม่ได้แปลงไฟไม่ใาย่โตเป็น ไปป่าแก่นิดนิดเล็กๆน้อยนยกระดับไปพ่อมีสติอู้เท่ารู้ตังไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตเรื่องยา ว, ยาว ก็เจอดีนะเราก็มีได้พบความดีสินทิ่มีค่ามากที่สุดที่สุขโตที่นี้สุขตกตพอกอไปแล้วด้วยดี ไปแล้วด้วยดีในปัจจุบันปัจจุบันไปที่ไหนก็ด้วยดีไปไหนอยู่กับใครก็ด้วยดีถัาสิ่งของก็ไม่เทียน ออไปไม่ได้บางทีบางแหงแต่ว่าความดีก็ก็เราก็าเป็นเพื่อนนิดอยู่ด้วยกันตลอดก็ได้สติปัญญาก็เหมือนกันสติปัญญาก็าเป็นเพื่อนนิด คนเราได้แล้วก็ไม่ต้องแปลงหวนไปที่ไหนเมื่อหลายก็เราก็สบายใจเรือไปนิดหนึ่งกับเติมมาอยู่กับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ การเรียนดรการศึกษาสิกขาที่เป็นงานมีค่ามากที่สุดนี่แหละศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญสติหลายคนหลงเด่มไปมันทุกข์ก็ ให้เข้ามาใส่ตัวเป็นธรรมะก็ให้ัวมามาดถเธอ่อาก็เป็นใายก็ตามคนที่ทุกเปลี่ยนกายเป็นหายทุกได้ ในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็มีสินเจนเป็นาเลือดนะครับ mm. ก็คิดว่าสำหรับเย็นนี้ก็เวลาพอสมควรแก่เวลา mm. ก็จบเพียงแก่นี้ก็จะรืมปองทุกๆตัางครับ